ไหเห็นอย่างชาัดเจนผู้จะปกครองแผ่นดินเป็นผู้นำของประเทศชาติบ้านเมืองาาทำไมจึงเอาของหยาบๆคำซามอย่างนั้นมาอวดประชาชนทั่วประเทศมันขายหน้าขนาดไหนนี่น่าคิดมากอวดผลไม่ได้นะไปะเห็นก็แล้วโอ้เมันไม่มีอะไรจะดียิ่งกว่านี้หรือแก่เล่าโช์ทือทาท่า ประดับหน้าร้านยิ้มแย้มแจ่มใสให้ประเภทเดียวกันแปลกประหลาดอาจรจั่อาศจั่งไหลผู้นำของโลกประเทศชาติบ้านเมืองผู้ใหญ่ในวงราชการแต่ละหลายหลายควรจะสงหวนศักดิ์ศรีของตน ให้เป็นที่เพื่อถือของประชาชนนี่กลับไปอย่างนั้นไปได้เห้อเรื่ะเล็กๆแตเมื่มดไปทำอะไรเดยวนี้วันที่สิบสามยังไใช่วันที่สิบสามคงรสิบห้าคำ เขาจะมาใสเบัรอะไรมาลืมความเป็นสัจจะความจริงไม่ใช่ความจำความจำกับความจริงมันต่างกันต่างกันคนนั้นโลกนลยง่าก็ขอเพื่อนตั้งออกตั้งใจทำนะนี่มาจากทางใกล้ทางไกลมุ่ง ม, มาผมเป็นจะนั่งกายสุโขขนาดไหนก็ยันต้องอนุเคราะ เฉ พ, พาะภาสนี่ผมไม่ไมปล่อยไม่สุดวิสัยจริงจริงมันภาร้างผมที่จะทําต่อหมู่เพื่อนปฏิบัติต่อหมู่เพื่อนเรื่องการการรวมสังสอนพอตะเกียบตะการมาได้ผมต้องมานอกจากมันจําเป็นจริงจิงมาไม่ได้นั้นกอสุดวิสัยประชาชนหน้าโยบนั้นถือเป็นประเภทหนึ่งนั่นแหละภาสเรานี้เป็นความจําเป็นอยู่แล้ว เรกเป็นหน้าที่โดยตรงในการคุณปฏิบัติรวมต้องเห็นใจนลัอรล่อเข้าไปล่อหลอเข้าไปนะักปฏิบัติคนโลกเหยียบย่าทำลายเอาสิในชาท่านอาจารย์ชอบไม่ไจำมันสาที่บ้านโคกหูล น, นะว่าประจัมนมนาท่ไหนนะคนมาเล่าผมฟังเมื่อ ไ, ไม่กี่วันมานี้ประจันมันาที่ไหนใครรู้ไหมท่านอาจารย์ชอบนะั ใครนา ม, มาเล่าผมฟังเมืเ่อเร็วนะี้จำทางภาคกลางนนัะ้จังหวัดอะไรนะใครรู้ไหมเขามาเล่าผมฟังเมื่อเร็ ว, รวนี้รหรอนั่นมันก็แปลกอุบาจาัน์ขนาดนี้แต่ัอางนหลุดไปกอนอย่างนั้น ก, ก็รู้ีลกกลแล้วแต่นายะอะไรมาแล้วเป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้เป็นจรุกก่ไปไหนฉันสร้างตึก กฎท่านนั่นแหละไม่ได้สร้างกฎดูไม่ได้จะตายจะเป็นยิงระวังเดผมระวังจริงแล้วกับผมไม่ระวังเอากินกินนี่แล้วก็ท่านจะท่านจะหลวิท่านมาเห็นว่าทำนี่นนะแล้ว เ, เอาทำพูดท่านจะข้านเราได้ไงผมเคยว่าหลายหัวนีะ ทำทุก่านไม่ใครจะเอาเป็นแบบเป็นฉ บ, บับไม่ได้มันจะมานสาที่วันน้องแสงปีสองปีผ่านมาแล้วนี่ก็โอ้จะมาสร้างกฎที่นี่เลยนี่วะก็จริงๆนะมีสามน้ำนมีน้ำสามน้ำทำให้มใ ห, หมุดแตกสารสาร้างเสซนระสมัมักสายเป็นกกเป็นเหล่าไปได้แต่ผมไม่ทราบนะตอนนั้นคุกท่านไปแล้วผมไม่ทราบถ้าผมทราบในยะนนั้นโอ้ผมไปเองเลยนะฟาดคนใหญ่ตัวเลยนะ มันกุมถอยเมื AH! <IM Anh> <hate> ่อไหร่พูดเพื่อหมู่เพื่อพะน่ามันทำลายหมูพะน่าเป็นเป็นกุ๊บเปนเหล่าไปหมดอย่ยงท่านอาจารชอบท่านก็ไม่สมประกอบในท่าการของท่านแล้วท่านควรจะได้หาอยู่สะดวกสบายท่าน ทั้งมาทั้งไปอยู่อย่างนั้นน่าแปลกนะ่คิดอยู่ทำนี่ไมวจริงก็จำไม่ได้นะต้องจริงต้องจำนะให้เห็นจนได้ความสงบอย่างน้อยให้ได้สงบนะถ้ามันสงบแล้วมันไม่มีโลกอยู่ละจิตนี่นะผมเคยเป็นมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเป็น ยังไม่กล้าพูดเลยไม่ไม่มีอะไรที่ร้อนอยู่กว่าจิตหาความสงบไม่ได้แล้วก่อนก็ร้อนมันกงไม่เท่าไหร่เรายังไม่ได้ภาวนาก่อนร้อนก็ไม่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าภาวนานะจิตได้รับความสงบเป็นตอนที่ยังไม่ได้เรื่องภานงวนามันก็รูั่วมันร้อนอยู่แต่ว่าพอนาพอได้หลักได้เก่งขึ้นมาแล้ว กับกลายหายเป็นส่วนเป็นไม่มันทำามันึไม่ลืมมาเลยมันถึงขนาดไม่ลืมมันถึงไม่ลืมร้อนมันดีหนึ่งที่มันไม่ถอยเท่ น, นั้นแต่ทุกคนอกว่าไม่ไหวนี่สึกซะดีกว่าวไปเลยนะนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันจะเอาเข็ดทั้งหลับรอน ม, สสมันอยู่กับโรกโรกสงสารนั่นแ่ะไม่ได้อยู่กับตัวน่ะมันอยู่กับเรื่องนันเรื่องนี้ดุ้งเพราะต้องแต่เป็นเรื่องฟืนโรกไฟกันงนั้นพอสงบแล้วมันไม่ยุ่งสบายอยู่ภายในจิตเพียงขั้นสงบนั้นมันก็สบายมันไม่ยุ่งกับอะไรสบายอยู่ภายในจิต น, นี่ขั้นขั้นนี้ขั้นเริ่มขั้นขั้นเริ่มสบายแล้ว พอฐานธงกิจมันแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้ า, ข า, ขาที่นี่ก็ยิ่งสบายสบายสบายจนขี้เกียจไม่สนใจพอพิจารณาทางด้านปัญญ า, เ พ, าเพราะเราไม่เคยเดินเราไม่เคยเห็นผลของทางด้านปัญญาเห็นผลแต่ทางด้านสมาธิมันก็อยู่แต่สมาธิทั้งวันมันอยู่แต่กับนั่นยุ่งกับอะไรแต่ความรู้รอันเดียวเด่นเด่นภ า, ายในร่างกายความสงบเยน็นก็อยู่นั่นนะี่ Стати, Model, ม, มันนี่ถึงว่าเมื่อมีสมาธิและปัญญาจะเกิดเองอย่ามาโกหกว่างั้นเลย่ะเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเองมันเกิดไม่ได้ไม่ให้เกิดไม่พายเกิดว่างั้นเลยนั่นแหละเราติดมาสมาธิมากี่ปีจําได้หรือเมื่อไรถ้ามันสมาธิมันจะเป็นปัญญาถ้ามันมันจะมาติดกันกอดสมาธิทำไมทําไมไม่เป็นปัญญาเฉลยวฉลาดดูพ้นไปได้เลยโดยไม่ต้องพิจารณาสมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญา จะเป็นเครื่องหนูนเท่านั้นคือสมาธิเมื่อนันหมายตั้งจิตมันอิ่มตัวในขั้นนี้มันไม่หิวโหวยเร่ร่อนนะครับอารมณ์ต่างๆนี่พาพิจารณาอะไรมันก็ทําตั้งหน้าต่างตาทำแต่ทํำในขณะที่จิตมันกำลังวุ่นวายนะนั่นพอพิจารณานี้มันทะเลาะไหลไปเสียนั่นนี่เป็นปัญญาให้เป็นสัญญาไปสิเราเคยพิจารณาแล้วเป็นสัญญาไปเสี ย, ยสัญญาไปเสียสญญเยพอจิตสงบแล้วเรา ข้าวทางด้านปัญญาเนี่ยมันไม่หุ่นอะไรถ้าพิจารณาอะไรมันก็พิจนารณาเนี่นมันไม่หิวโหยนั่นแหละมันกันรู้เลยทเดียรู้แง่นั่นขึ้นมารู้แง่นี่ขึ้นมาเอ๊ะชอบคนชอบคนนี่ผลที่เกิดขึ้นจากทางด้านปัญญาผิด ก, กับทางสมาธิมันตัดกิเลสเป็นขาดว่าขาดตอนประโดยลำดับธรรมดาเอ๊ะเอ๊ะชอบคนชอบคนมันขยับใหญ่เดีโอ้โหเรามีสายผาดโพง ลงลึกไปทญญาง้านบรรยนอนกันมได้หลงพ่อไอทงพ่อแม่ครูอาจารย์เถอกย่ลืมไงมังนเก็อย่างหนักหนักเห็นแขเราเป็นเรอฟาดอั่นนักครูธรรมดาไม่ถึงหรอกคนหน้าหนาแบบนี้คงว่าแ่ตองอย่างหนักเลยขึ้นไปนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้พิจารณาออกพิจารณา นี่ม่นออกพิจนาน้าอยยนางมันจนทั้งนอนไม่ได้ที่ผมก็ไม่นอนไมได้จริงมพิจนาทั้งวันทั้งคืนเลยเลยนอนไม่หลับกัางคืนนอนไม่ได้นั่นแหละมันหลงสังขารนานทันปุ๊บเขาเลยนะเพราะว่าถ้ที่จะน้ํนนาก็ไม่รู้เนี่ยมันสวน่านเข้าไป น, นั่นแหละ บ, บ้าบ้าสังขารบ้าหลงสังขารโอยขนบับเลยเท่นี่หมูม่เขา ไม่แผ่รังพานเลยหมออย่างงี้คงถูกทางท่านว่าแล้ว่าแต่มันไม่ถอยนะีวิญญาณไม่ถอยมันจะตายจริงมันก็มันเรียร์นี่เพราะจิตทํางานมันไม่เพียอะไรไงมันคุยเกี่ยบขุดค้นฟัดนย่างนไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนนอนมันก็ไม่ยอมมันไม่ยอมปล่อยงานมันจะให้ให้รลุยเขาจะเอาให้นั้นให้ขาสุดท้ายมัก็ ระหว่างออกมาเสี้ยไม่หลับแล้วันนี้วันกลางวันไม่หลับอีกคนอ่อนลงอ่อนลงนี่แหะนั่หละมันจะตายกันันแหละมันถึงได้บังคับตัวเองบังคับให้มันปล่อยงานนั้นเข้ามาภาวนาสมาธิไม่ทราบมันหายไปไหนแต่สมาธิหายอันนี้มันไม่ได้เหมือนสมาธิเหมือนไม่เหมือนไม่มีสมาธินะมันไม่ได้หายเป็นเรื่องมันไม่สนใจกับสมาธิแล้นั้นพอหมุนเข้ามานี่ มันก็ไปห่วงงานนะั้นมันไม่ได้ห่วงอะไรนี่มันห่วงงานนี่เท่านั้นเพราะต่อยไม่ได้นะปัะ๊บถึงงานเลยมันไม่ได้ไปอื่นไปงานแล้วบางคร้งแม่นไปอ้าวพุโทโธหนะเวียนกับเอเรียนภาวนาใหม่นะอเอาพุโธอัดเข้าไปพุโทโธพุโทโธถ้ามันมันห่างๆไม่ได้นะมันจะออกหา ง, งานนั่นมันค่อยจะพุ่งๆแล้วพุโทโธพุโทโธถียีบเลยบางครั้งบางอย่างนี่ ให้เข <necessary. S 2> ้าสู่ความสงบุทธโถุทธโธนั่งหน้าต่างตาุทธโตไม่มันอ่อนมันอยู่ให้มันอยู่บางเข้ามันอยู่สุดท้ายนก็อยู่นะเพราะนไม่มีอะไรมันไม่ได้จะออกหางานเท่านั้นมันไม่ได้มีจะออกตามโลกตางหนังสารที่ไหนออกไปคางานก็ความมุ่งหมายก็เพื่อค่ากิเลสอันเดียก็เท่านั้นุทธโธุทธโธุทธโธที่เย็บลงไปนี่จิตมันอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลง โอ้โหเหมือนถอดเปลี่ยนถอดน้ํานะพอมันสงบแนว่วลงไปล่อยงานหมดแนว่วลงไอยู่นั่นแต่อยู่นี่กับมันอยู่ด้วยความรู้อยู่นะอออยู่ด้วยการบังคับอยู่นี่พอปล่อยไม่ได้มันออกหางานทันทีมันบังคับไว้นั่นอยู่นะั่สบายตั้งตังสบายมันยังจะออกอยูถ่ถ้าถ้าปล่อยไม่ได้น้ําจะออกบังคับไว้นั่นจนกทั้งมันแนว่วพอแน่วแล้วก็พุโทโธก็หายะอะไรนี้นะ ยึดความรู้เด่นแม่มันคิดมันตุงอะไรทั้งนั้นมันทักตัวเองพอมีกําลังมันมีกําลังรวดเร็วนี่นะเพรันพักตัวเองมันได้เห็นว่าเป็นที่แน่ใจเป็นที่สะดวกสบายแล้วต่อยพอพต่อยก็ถึงกันเลยนี่มันก็เหมือนกับมีได้รับหินนะเหมือนกับเราเองก็รับทานอาหาร ถ้าพอนอนหลับให้สบายสบายมีดก็เหมือนกับรับหินไปเรียบร้อยแล้วก็ไปฟันไม้ท่อนนั้นแหละชิ้นนั้นแหละขาดสะบันไปเลยเนี่ยไม้ก็ไม้ชิ้นเก่านั้นแหละมีดก็มีดเล่มเก่านั้นแหละเล่าก็คนเก่านั้นแหละแต่มันต่างกันที่กําลังมีดก็เหมือนได้รับหินแล้วภาพในคราวนี้ขาดไปอย่างรวดเร็วเนี่ยที่แบบ สมาธิปอดิพคาลุตาปัญญามหาพลาโฮติมห้ายช่างชาคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาถ้าเราไมา่ภากสมาธิกําลั ง, งมันไม่มีเปนหนุนปัญญาได้ไหม น, นี่คุ้มค่าปัญญาต้องเราพาออกมันตึองออกสมาธิมีพอแล้วมันก็เหมือนกับเครื่องทําครวัวนั่นแหละเอามากองเป็นเพลินเพลินถึงอย่นี้มันก็ เป็นผักเป็นหญ้าเป็นเนื้อเป็นปลาอยู่งั้นมันไม่ได้เป็นแกงนี่ทำไมมาผสมกันเข้ามาทําเป็นอาหารประเภทต่างๆมันจะสําเร็จเป็นอาหารอาหารประเภทนั้นไม่ได้มันก็ต้องเป็นผักเป็นปลาเป็นเนื้ออยู่ด้วยดีอะเมื่อพมาผสมอาจจะทําเป็นอาหารประเภทใดก็เอาหยิบนั้นมาใส่หยิบนี่มาใส่หยิบน่มาส่ไม่สมเร็จเป็นแกงขึ้นมาสมาธิก็เป็นสมาธิอยู่งั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญญาได้ยังไง ทาพิจารณาออกทางเป็นทางด้านปัญญาแปลว อ, อย่างนี้เป็นปัญญาที่น่าจะก็เป็ น, นปัญญาไปนะมี่มันชัดอย่างนั้นนะเพราะงั้นถึงได้กล้าพูดใครจะมาโกหกไม่ได้นะเรื่องสมาธิวางนี้เลยเราเรื่องปัญญาใครจะมาโกหกไปได้นะมันประจักษ์ทุกอย่างฟัดกนันอย่างโชคโชนหู พูดเป็นพอเหมาะผสมก็ถึงเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เต็มเหนียวอย่ยามาห่วงสมาธินี่เวลามันผ่านไปแล้วมันก็รู้เองอความผิดตอนนี้ก็เป็นครูฉะนั้นความถูกก็เป็นครูความผิดก็เป็นครูที่จะแนะนำหลักสอนค อ, อื่นนั่นกเอามาจากความเป็นของนี่ทั้งผิดทั้งถูกนั่นแหละเวลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาฟาดกระนองให้เต็มเหนี่ยวไม่ต้องห่วงสมาธิ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 เป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นเวลาพักสมาธิพอสมกวรเนี่ยมีความที่ออกทางด้านปัญญาพิจณาทางด้านปัญญาเวลาเรียนก็นมีท่านบอกไว้แล้วในปัญญาก็มีตาลุณัพิปัจฉนาเพื่อนๆจะพิจารณาพิปัจฉนาอ่อนๆสมาธิพิจารณาสมาธิตามขั้นพิจารณาปัญญาตามขั้นก็ว่าไว้ตามไปเรียนแต่เมื่อไม่ เข้ามาถึงตัวจริงมาเผชิญกันในหัวใจเจ้าของแล้วมันเอาคาพูดอะไรมาบ้างดัมันไม่ประจักษ์พอเจ้าของไปเจอเสเองแล้วทีนี้มันชัดทั้งด้านสมาติทั้งด้านสังาายาแต่ภ้ากี่มากน้อยหนูมันก็เข้าใจแหลวทีอย่างไรทางมันไปก็เป็นหาที่ไปไม่ได้เวลามันหมนอยู่มันแหม มันเหมือนจะไม่มีเวลาพักเวลาหยุดได้เลยเหมือนกับเราเปิดเครื่องจักรเครื่องยนต์นั่นะแต่ตแพอเระดับเครื่องมาแล้วเครื่องใหญ่เครื่องเล็กมันก็หยุดไปตามกันหมดในเวลาทีา่เิดปีพญามันลุกลามไปกับเชื้อได้แก่ที่เหล็กประเภทต่างๆมันมีมากน้อยเท่าไหร่มันจะต้องลุกลามไปตามนั้นตามนั้นตามนั้ น, ม น, นไม่หยุดไม่ถอย พร้อมไปเติมทีมันแล้วมันก็หยุดของมันเองไม่เห็นว่าเราต้องมองบังคับอสติปัญญามันหมุนตัวเป็นเกลียวหรือเป็นธรรมจักรอย่างนี้อห่าเป็นเจ้าของลาคานบางทีมันลาคาญนะโอ้เมื่อไรมันจะหยุดไปพักสักทีทําไมภาวนาเราขาดเราคิดว่าจุดมีความละเอียดเท่าไหร่เข้าไปเท่าไหร่จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นงานก็จะน้อยลงน้อยลงจะเบาสบายเลยเรื่อยๆมันไม่ได มันไม่เป็นอย่งนั้นมันตัดวงข้ามจิีได้เหาอแต่แรงใช้งานมันยิ่งมากมันหมุนตัวมาหยุดมันทํางจึงเป็นแังนี้ไนแถ้าเมื่อไรมันจะหยุดได้สักทีเพราะว่าถ้านั้นป้ามันก็ใส่งานปึงนะคิดเพื่อพูดเท่านั้นไงมันไม่มีกําลังยิ่งกว่าที่มันจะพุ่งใส่งานอันนั้นมันมีกําลังมากกําลังของจิตพอหยุดคิดทีนี้มันก็ปึงใส่งานเลยพันกันเลย เวลามันไปเติมที่เติมเหตุเติมยาทั้งหมดแล้วมันก็อยู่ทั้งหมดเองอันที่มันหมุนตัวเป็นเกลียวนั้นหาเงียบจะหาเงียบเปเพราะเหตุอะไรมันก็รู้มันเสียะในตอนที่มันหมุนติ้วเพราะเห็นอะไรที่มันไม่รู้นี่ไว้ทั้งตึงลำําขางมันหมุนติ้วติ้วเพราะเห็นอะไรไม่รู้เพราะมันกําลังเดินทางทางไม่เคยเดินมันก็งงเลย จึงต้องมาลำคาเจาของและไม่รู้วิธียับยัง้งแต่เวลาไปหยุดออกของมันนั้นมันทราบทั้งเหตุทั้งผลความกันแล้วทำไมมันถึงหยุดหยุดพ้อยไรเนี่ยไปถามหาอะไรมันรู้แล้วมันเข้าใจแล้ว ม, มันกัดปัญหาความสงสัยทั้งหมดก็จะไปสงสยัยอะไรมันไม่ควรไม่มี เหมือนคนไม่เคยใช้สติไม่เคยใช้ปัญญาเลยอยู่เฉยๆเหมือนบ้าวเหมือนคนไม่มีหวัวใจเวลามันเป็นเฉยเอาเรื่องเล่าเล่าเลยกับโลกมันก็เหมือนกับมันอิ่มแล้วพอทุกอย่างเกี่ยวกับโลกสงสารมันก็ไม่ไปยุ่งเสียไม่ราำเลื่ะเหนื่อยปริญณาภายในอย่างว่ามันก็ไม่เอาเย มันก็อยู่แบบนี้นแล้วหากมาสงสัยมันอยู่แบบไหนมันก็ไม่สงสัยทีนีเดิยนยิงคลมอนี้เดินไปเดินมาะเห็นจิ้งกกิ้งกาเห็นกระรอกกระแตก็เล่นกระรอกกระแตไปทเนี่ยเทนที่เห็นตั้งได้ตาเดิยนยมมิงกลมก็ไม่ได้เรื่องยเล่นกับสัตว์ไปทเนี่ยเล่นกับสัตว์มันมีความหมายมาหนึ่งมันเป็นพื้นนะ ที่เล่นเล่นกับสารไม่เล่นด้วยความเมตตาออืคิดน่ะสําคัญอยู่ตรงนั้นนั่ะอนี่ยเขาบอกเขามาที่เหล็กิเล็กเจ้ชื่อคือธรรมชาติอันนี้หวังนั้นน่ะมันมีอยู่ทุกจิตท้ทาทเป็นอย่างนั้นมีสัตว์นี่ต้องอาศัยกรรมเพราะอํานาจของกิเลสท้าเป็นเหตุให้ทำกรรมเนี่ยทำกรรมแล้วก็เกิดวิบากขึ้นมาแล้หมุนเวียนกันไปกันมา หาก็ครทจะบำมมาทพบชาติของสัตว์ตัวใดของผู้ใหญ่ไม่ได้เพราะมันหมุนเวียนสูงสูงต่ำต่ำรุ่มดอนอย่างนี้ตามหลักธรรมชาติของเครื่องหมุนมันมีพาให้ทํานั้นทํานี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่มด อ, ดอนดีบ้างชั่วบ้างทงว่าเวลาผลออกมาดีมีดีมีชั่วมีสูงมีตม่ำประจามพบธําชาติตามประมเหมือนของตนเพราะอํานาจแห่งนี้บ่ะพาให้เปลี่ยนไปมันเข้าใจอย่างนี้เวลาดูสันก็เหมือนกับดูหัวใจเหล่า ดูหัวใจสัตก็เหมือนดูหัวใจขดมันผิดกันอะไรผิดแต่ร่างกันนันนี่ร่างนี้มก็เป็นท่าสี่ยืนนห่งบนไฟเหมือนกันสาคัญีนพิจิตรันมันจุดมันเจาไปตรงนั้นคือความสงสารเมตตาละนี่เลือกกันแล้วนะนีอะไรอีกแล้วเอาเอาเนื้อไป